โอกาสต่อไปนี้ก็เป็นเวลาที่ฟังธรรมแล้วก็ถือโอกาสดีนาทีท่งนี้ปฏิบัติธรรมตา ม, ตามไปด้วยจะได้ช่วยเพิ่มสติเพิ่มปัญญาเพิ่มกุศลบุญญะลาสีเสริมสร้างบุญบารมีให้กับชีวิตของเราให้เมแต่ความเจริญ รุ่งเรืองนสินนธรรมพัฒสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะการเรามีได้โอกาสฟังธรรมนั้นซึ่งเป็นหลักคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเราก็ได้ประพฤติตามปฏิบัติตามคือว่าเป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐที่สุด ในชีวิตของเราพระพระุทธเจ้าทรงสนเสริญยด ย, ย่องบ่ า, าผู้ได้ฟังธรรมนั้นเป็นชีวิตอันประเสริฐเป็นชีวิตอันเลิศกว่าสิ่งใดใในโลกนี้เพราะว่าฟังไปแล้วปฏิบัติไปใจของเราก็สงบหมายความว่าไม่ได้คิด นอกรีนอกรอยไปทางอื่นปฏิบัติทมต้องรู้ที่กายรู้ที่ใจของเราเท่านั้นไม่ไปรู้ที่อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวมลงบะรู้อยู่ที่จิตใจของพวกเราว่าขณะ น, นี้จิตใจของเรามีความรู้สึกอย่างไรมันสงบอยู่ในปัจจุบันอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจ อยู่กับรูปน้ำหรือว่ามันอยู่กับสิ่งใดผู้ปฏิบัติธรรมก็จงรู้ถ้าไปรู้อย่างอื่นนั้นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมต้องรู้ที่กายเรารู้ที่ใจเรากายยาวานาคืบกว้างสอกกรรมมาให้รู้จุดตรงนี้ทีนี้ เหมือนผู้ใดได้รู้ลมหายใจตัวเองดูลมหายใจตัวเองตัวนี้นั่นนะคือเราบอกเราได้บอกเรามีสติถ้าไม่มีสติเราก็ไม่เห็นลมหายใจเราถ้าเราเห็นลมหายใจของเราอยู่ที่ไหนจิตของเราก็อยู่ตรงนั้นถึงพอจิตเป็นผู้รับรู้เห็นไหมเวลาจิตของเราไปอยู่กับที่อย่างอื่นเราจะไม่เห็นลมหายใจตัวเองเลย ทางที่หายใจเข้าฟพ้อแฝงเพ้อแฝงย่าแต่มันไม่ไม่รู้เพราพรรู้มันไปอยู่ที่อื่นอย่างมันอยู่ในนอกห้องประชุมอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้แหละลมหายใจตัวเองหายใจกี่ครั้งก็ไม่รู้ออกกี่ครั้งเข้ากี่ครั้งก็ไม่รู้แหละนั่นคือขณะที่ไม่รู้น่ะเขาเรียกว่าขาดสติขาดปัญญาถึงแม้เราจะนั่งหลับหูหลับตายอยู่ก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติทำเลยเอาสติเป็นหลักเอาบวัวเป็นกำหนดกฎเกณฑ์เลยแม้แต่เราจะเดินไปเดินมาทํางานทําการอยู่ในห้องเราถ้าขณะใดเรามีสติรู้กายเคลื่อนไหวใจนึกคิดอยู่นั่นท่านก็มีโอกาสปฏิบัติทำได้แล้วถึงว่ามีบางท่านอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ว่าโอ้ไม่มีเวลาหลวงพ่อเอาเวลา เราหายใจมีไหม่ะมีเพราะฉะนั้นขณะใดมีเรามีลมหายใจอยู่เราก็ต้องมีเวลาปฏิบัติธรรมเรามีความเคลื่อนไหวไปมามันมีมีแค่ น, นั้นแหละเราปฏิบัติธรรมให้ดูกายเคลื่อนไหวให้ดูใจนึกคิดเนี่ยเพราะใจของเรามันรับรู้เจตสิกคืออารมณ์ที่มาปรุงแต่งเราก็ให้รู้ว่า ตอนนี้มันคิดดีหรือคิดไม่ดีถ้าสมมุติว่ามันคิดไม่ดีกับคนอื่นเราก็กำลังทำลายตัวเองอยู่เหมือนกำลังคิดไม่ดีกับตัวเราอยู่เพราะบุกคนอื่นนั้นกับตัวเราก็ไม่มีอะไรต่างกันธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันไม่มีอะไรต่างกันเลยนะ ถ้าทางโลกเขาสมมุติกตกต่างกันที่คนนั้นสูงคนนั้นต่ําคนนี้ดําคนนี้ขาวคนนั้นสวยคนนี้ขี้เหร่อันนี้เป็นแค่สมมุติแต่ความเป็นจริงเนี่ยเราไม่มีอะไรต่างกันชักอย่างถ้าสีดินน้ําลมไฟเหมือนกันหมดเลยแก่เท่าหนุ่มสาวแล้วก็สมมุติกันเพราะนั้นพระริยเจ้าท่านไม่เห็นว่าเป็นแก่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นอะไรท่านเพียงเห็นเพียงแต่ว่ารูป รูปคือธาตุสี่เท่านั้นกระดินน้ำโดมไฟเคลื่อนไหวไปมาเพราะอาศัยนามเป็นผู้สั่งว่าจิตเป็นผู้สั่งสั่งให้เราเคลื่อนไหวช้าหรือเร็วก็อยู่ที่ตัวเราสิแต่คนเป็นอมภพกับอมภัสเนี่ใจสั่งเร็วข น, น้นไหนก็ไปเร็วไม่ได้เพราะขามันไม่ร่วมขาไม่สา ม, มัคคีกันแล้วใจมันสั่งไวยุ่แต่ขามันไม่ไปสิ มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอันหนึ่งเป็นกรณีหนึ่งแต่ว่าถ้ากรณีคนเอาสมบูรณ์ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไม่เป็นอมตะเพิกกับมาพมาดเนี่ยกายสั่งเดินไว้มันก็ต้องไวเดินช้าก็ต้องช้าเดินพอดีก็ต้องพอดีเราจึงจะเห็นว่าในขณะไหนที่เราเดินนะถ้าท่านทั้งหลายเคยไปฝึกเดินจยกลมถ้าเรานึกถึงว่าเราเดินจยกลมเดินไวมีสตินะ ใจเคลื่อนไหวใจรู้สึกนึกคิดเนีเ่ยเราจะเห็นว่าจิตก็น้ำสงบทันทีเลยที่เมื่อกี้มันกําลังฟุ้งซ่านอยู่กับเรื่องอะไรกันแล้วแต่พอเรามีสติมารู้ตัวทั่วพร้อมปุ๊บมันหยุดทันทีเลยอันนี้ถือว่าอ่าเราได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นผู้พฤตปฏิบัติชอบคือสาวกของพระพุทธเจ้า ว่อเป็นการเห็นอันเลิศเป็นการเห็นอันประเสริฐที่สุดไม่ต้องเห็นพระบรากายของพระองค์ละพระบรากายของพระองค์นกับเราก็เหมือนกันเป็นธาตุสีเดินนำโดดไฟเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระวกลิตอนยังไม่บวชเป็นกระวาดชอบพระพุทธเจ้าโอ้ยชอบสวยงามหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ไปที่ไหนก็ตามยวงห่างแต่ว่ามอ ง, พ, อมอ ง, รงรพระพุทธเจ้าตลอดมองรูปหลงรูปพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าละจิตเออแต่ถ้าเะาบวชเอาคงจะได้อยู่ใกล้มาตอนนี้เราเป็นฆราวาสอยู่ใกล้ไม่ได้ก็เลยบวชไปเลยบวชไม่ใช่ว่าจะบวชไปปฏิบัติธรรมอยากอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าจะได้เห็นชัดๆอย่างนี้นะ่ะก็เลยบวช บวกระตาเวลาพุทธเจ้าแสดงธรรมเมื่อนั่งไหนก็ไปนั่งมองแต่รูปสฉมพุทธเจ้าพอผิวพันพุทธเจ้าเนียนมากจอชนิดฝุ่นไม่เกาะเลยพูดไงนเนียนชนิดฝุ่นแล้วอ่องี้ไม่เกาะเลยเหมือนไหมคนที่มีฝีมือเขาทาไหมยอมโยนโยนใส่น้ําน้ําไม่เกาะเลยไม่เกี่ยวเลยความละเอียดถึงขนาดนั้น ผิวกายพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันเป็นทองริวเป็นสีทองพระวักกลิก็เลยตามไปดูแต่พระวรกายนั้นเนะี่ยบัดหนึ่งพระเจ้าจึงอปเปหิหมายว่าไปไปไปอย่ามาอยู่ใกล้แล้วมนุษย์ไอ้พระง่ อ, อมันลงอยู่แต่ในกายพระวักกะลิก็เลยน้อยใจเพราะยังไม่ได้เป็นพระหานตอนนั้น ว่าเราอุตส่าห์พยายามรักเขารบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่รักเราเลยแล้วจะอยู่ทําไมล่ะทีนี้ตายดีกว่าพระพุทธเจ้าอาปเปหิคือไล่นี้แล้วก็แล้วตายดีกว่าแล้วจะอยู่ทําไมว่าแล้วก็เดินไปเลยจะไปกระโดดเหว ต, ตายแต่พระพุทธเจ้ารู้ว่าพระวกรีนี่มีเหตุจจมีปัจจัยจะบรรลุมรรคผลนิพพาน ก็เลยทอดขายพยานคือแสงออกไปเลยไปผ่านไปตรงหน้าแล้วก็มีพระสุรเสียงไปตามาแสงนั้นบอกว่าโยธรรมังปส ต, ติโซธรรมนรเวสติเนี่ยถาภาษาพระพุทธเจ้าภาษาเร า, า, า, าก็ว่าเออผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราจะถาคตผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นก็ไม่เห็นเราจะถาคต แม้จะจับชายชีบอไปก็ไม่เห็นเราจะถาคตผู้เห็นเราจะถากก็คือผู้เห็นธรรมรู้ธรรมในพุทธเจ้าก็ยืนยันมาแล้วว่ากายไม่ใช่เพราะพุทธเจ้าทำมิใดพุทธเจ้าเพราะนั่นพวกเราจึงเป็นผู้โชคดีไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่เทพทเจ้าเราเทวดาท่านส่งเสริมทุกคนที่มาที่นี่ปฏิบัติธรรมลองพอสังเกตดูนะ อืมประเทศไม่เทศจมก็ชอบนั่งสมาธิทำมาถึงที่นี่แล้วแสดงว่าภูมิที่นี่ดีภูมิที่นี่ดีมากทำให้เราอยากปฏิบัติธรรมสังเกตดูดท่านทั้งหลายไม่ใช่เหมือนกันทุกที่นะไมเพาราะหลวงพ่อจะอาจจะไปมากกว่าเพราะญาติจมไปสถานที่ปฏิบัติธรรมนี่นะอาจจะไปมากกว่าเพราะเขานิมนต์ไปบ่อยเนี่ย โยมอาจจะได้ฟังเฉพาะที่นี่แล้วก็กลับบ้านถ้าที่นี่จัดขึ้นเมื่อไหรโยมก็ได้ฟังอยู่ที่นี่ก็พระาะวักกะลิกันเลยได้สติขึ้นมาโยมไม่กระโดดตายมองโอ๋อเห็นทำแล้ว ผ, ผ, ผ, ผู้เห็นทุกข์ผู้เห็นธรรมผู้เห็นธรรมผู้เห็นทุกข์ขึ้นมาแล้วทุทกข์เพราะไปรักพระพุทธเจ้าก็เลยตัดสินใจว่าเออนี่ ที่ขณาตัดสินใจเนีคือทำรรเดียวคือพระพุทธเจ้าองค์แท้หลวงพ่อจึงได้กล่าวว่าผู้เห็นพระพุทธเจ้าก็ดีเห็นผู้ประพัติดีปฏิบัติชอบสาวกของพระพุทธเจา้าเป็นความเห็นที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดจะโยมผู้มีสติมีปัญญาอยู่ขณะนี้นั้นเราได้อยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วให้เราสบายใจใเถอะเราอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้ว เราจะสังเกตได้ว่าขณะใดาสติมาปัญญาเกิดเราก็ไม่ทุกข์เลยนะไม่ทุกข์เลยใจมันสบายยอมเบากายเบาใจเคยหนักใจเรื่องอะไรมันก็เบาเคยถือเรื่องอะไรไว้อยู่มันก็าวางจิตมันถึงขั้นปล่อยวางให้ปล่อยวางได้ก็มีความสุขที่สุดแหละ ในชีวิตเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางอเห็นทุกข์ก็ไม่เอาทุกข์ปล่อยซะให้เพียงแค่เห็นมันอย่า ง, างเดียวเฉยๆนะเหมือนเราเห็นว่าอันนี้มันไฟฟ้ามันช็อต น, นั่นนี่อันตรายแล้วกว็เพียงแต่เห็นใจอย่าไปจับไฟทันั้นนะที่ไปจับไฟไฟมันก็ไมหม้เราเหมือนทุกทั้งหลายทั้งปวงมันกันถ้าเรายประยึดมันก็เลยเป็นทุกข์เล จนมันเรามีปัญหาอะไรขึ้นในใจเราปัญหาครา oh, อบครัวหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่และถ้าเราไม่ปล่อยวางมันก็ทุกใช่ไหมเพราะเราไปยึดทุกมันเป็นของเราถ้าเราไม่ยึดทุกมันเป็นของเราทุกมันก็ไม่เป็นของเราเพราะธรรมชาติมันมีอยู่อย่างนั้นเหมือนไฟเนี่ยมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นเราไม่ไปจับมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรทุกเขาเขามีของเขา อ, อ, อยู่อย่างนั้น แต่พระพุทธเจ้า ส, สมมติว่าทุกถ้าทำอย่างนี้เป็นทุกใครอยจะมาบอกเรานอกจากพระพุทธเจ้าเพราะนั้นผู้ที่มีสติมีปัญญาคือมีพระพุทธเจ้าอยู่กับตัวเราเราจะไม่ทุกข์เลยคุณโยมสังเกตดูนะคุณโยมจะทำงานเมเหนื่อยเมื่อยล้าทั้งร่างกายแต่จิตใจโยมมีกําลัง ถ้าหาว่าจิตไม่มีกําลังคือจิตไม่มีพระพุทธเจ้าถึงอุปมาว่าถ้าใจของเราขาดพระพุทธเจ้าเราก็ไม่จะอยู่พระพเจ้าอยู่กับกิเลสมันมีแต่ของทุกข์แหละทีนี้อ่าเพราะกิเลสมันชอบยึดชอบถือนะี่ยเห็นไหมบางครั้งว่านี่เป็นของเรานะนี่เป็นของเขานะนั่นเป็นของเขาใจ ก, ก็เป็นของเราอะไรเป็นของเรามุทะอาจจะกิเลสมันเกิดนะ เพราะกิเลสมันไม่รู้ความเป็นจริงแต่พระพุทธเจ้ารู้ความเป็นจริงรู้ว่ากายไม่ใช่เรานะใจไม่ใช่เรานะสมมุติขึ้นมาเนะ่ยเห็นไหยความรู้สึกของพระพุทธเจ้ากับความรู้สึกปุถุชนเนี่ยมันจะสวนทางกันเหมือนน้ําก็อยู่กับ น, น้ํามันนะท่านั้หลยน้ํามันเนี่ยมันจะอยู่เหนือน้ําเพราะมันเบานะมันเบามันจะอยู่เหนือน้ํา ฉะนั้นใจของคนเรามีธรรมใจจึงเป็นจิตใจที่เบาสบายท่านทั้งหลายเคยเห็นหินหลอยฟ้าไหมมันลอยไม่ได้มันหนักที่ลอยฟ้าได้ก็นี่มะโปลูกโปรงสวรรค์นุ่นบ้างที่มันเบาเ้าอะไรเ บ, บ้าเบ้ามันกับปิวเลยอ่ากับปิวขึ้นของเบามันจะขึ้นที่สูง ของหนักมันจะลงสีํำจิตของเราถ้ามีกิเลสมีนจะหามากมันลงสู่ที่ต่ำมันจึงคิดถึงแต่สิ่งที่ตจำๆนั้นละว่าง่ายเยอะเอาให้รวมลงเลยว่าสิ่งที่ํำคือมันทุกข์สิ่งที่สุขที่สูงขึ้นน่ะแล้วก็สูงว่ามันสุขมันเบาโอ้ยเบาใจสบายใจไม่หนักใจกับเรื่องอะไรทั้งนั้น นี่ถ้าเราได้เห็นพระพุทธเจ้าจึงเป็นความเห็นที่เป็นมงคลอันเลิศอันประเสริฐที่สุดท่านหลายมันต้องกรอกบ่เกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่กับพวกเราตลอดถ้าเราเปิดประตูใจรับพระพุทธองค์อ่ะพระพุทธองค์ก็ไปประทับอยู่ในใจเราแต่นี่เรามักจะปิดใจนะปิดปิดหัดวใจเราคือเอากิตเลตนาหามากันไว้กั้นไว้ พระพุทธเจ้าก็เลยเข้าไม่ได้มาเข้าไม่ได้เลยเหมือนแสงอาทิตย์นะ่ะอย่างที่หลวงพ่ออยู่ทางเหนือเี่ยวนีควันหมอกกาลังเยอะเหมือนไม่เห็นแดดเลยเพราะควันหมอกมันเยอะเนยเดุงอยู่ ใ, ใกล้ๆถนนนะก็มองไม่เห็นนะ่ะมาเมื่อวันมองไม่เห็นเลยหมอกันมันเยอะเกินไป อ, อันนี้เหมือนกันถ้าอารมณ์ของเรานะ่ะ มากเกินไปแล้วก็มองไม่เห็นจิตใจของเราเพราะว่าอารมณ์มันปิดกั้นจิตใจของเราหมดเราก็เลยไม่เห็นจิตเห็นใจตัวเองเราก็เลยไปเห็นแต่กิเลสทนีนี้อย่างเห็นรูปถ้าเราชอบมันก็เป็นกิเลสแล้วไม่ชอบก็เป็นตัญหาอยู่แล้วเป็นกิเลสมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราอยู่กับสติอยู่กับปัญญา นั่นท่านนั่งหลายอย่าเสียอย่าน้อยใจว่าเร า, า, า, าเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าอความรู้ตัวรู้นี่ยคือพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานเนี่ยคือพระพุทธเจ้าสติโลกัสสห ม, มิชาครสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกเนี่ยเอาบาลีมายืนหยัดให้ฟังว่าไม่ใช่พูดเอาเองเอ๋เอาเฉยๆน่ะเรามีหลักบาลียืนยืนหลักไปให้ฟังอย่างเนี้ย พระพุทธเจ้าจึงเสนอเสริญยื น, นยกช่องผู้เห็นธรรมคือเห็นเราแตถาคตมผู้ไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราแตถาคตจะจับชายจีวรเราแต่ถาคตไปก็ยังไม่เห็นเราแตถาคตเลยพระรูปโฉมไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงๆนั่นเธาตุสดินน้ำลมไฟมัมคือพวกเรานี่แหละแม้แต่ว่าพระพุทธองค์ก็ยังมีพระอา น, นุ์ถวายนวด บบตามแข้งตามขาตามแขนตามองค์ของพระพุทธองค์ไม่มีใครได้เข้าใกล้หรอมีพระอนนท์ถวายอยู่เป็นประจำ ท, ที่จะว่ะาพระพุทธเจ้า ป, ปวดเมื่อยไหมพระพุทธเจ้าไม่ปวดเมื่อยหรอกแต่สังขารมันเป็นของมันก็พระอนนท์ก็ทำไปตามธรรมชาติพระพุทธเจ้าอยู่เนื้อกายแล้วอยู่เนื้อใจแล้ว แต่กายมันเป็นไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นนี่น้งพ่อเมื่อมาคิดถึงเรื่องนี้นะี่ยว่าเออพวกเรามีบุญนะ่ะมีบุญยังไงเราจึงเห็นองค์จริงพระพุทธเจ้าองค์จริงที่เรามีสติเนะี่ยมีผู้รู้เนี่ยแล้วมีทำมีศีลมีธรรมอยู่รรในใจของเราเนี่ยแหละเราเห็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ว่าเป็นมงคลเป็นความเห็นอันเลิศอันประเสริฐที่สุด ในชีวิตของพวกเราที่เราได้ฟังโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเป็นการที่ได้ฟังธรรมอันเลิศอันประเสริฐที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าพวกเราตรัรสไว้สัพพะปะสัพพปะภากากรรณะการไม่กระทาบาปทั้งปวงบาปคือความทุกข์ ถ้าใครมีความทุกข์อยู่คนนั้นนะะไม่ต้องให้ใครบอกแล้วหรอกไม่ให้ใครว่าแล้วเราต้องว่าตัวเองโอ้เรามีบาปอาื่นีลักษณะบาปมันคือทุกข์นะว่าทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์กายเป็นเศษของบาปของกรรมที่เราทำไว้อย่างบางคนมีแค้มีขาค็มีบาดมีแพ้ ่มีตนมีตัวมีน่นมีนี่กับ ม, มีบาดมีแผลหรือมีโรคภัยไ ข, ไข้เจ็บเบียดเบียนบางทีปวดแขนบ้างปวดขาบ้างปวดหลังบ้างปวดเอวบ้างบางทีมีลำไส้กัเป็นลำไส้อักเสบบ้างจับอักเสบบ้างไตอักเสบบ้างสารพัดอย่างทั้งภายนอกภายในมันเป็นมันทุกข์ใช่ไหมลนะ่ะที่จริงขันนั้นมันเป็นไม่ใช่เราหรอกแต่เรายังแยกไม่ออกเราก็เลยว่าเราทุกข์ไง ทำไมเกิดมาโรคภัยไข้เจ็บเปียดเบียนแต่เราเลย ก, ก็ไม่ใช่กับเบียดเบียนทุกคนนั่นแหละมันจะไปเลือกใครไม่แต่พระ ก, ก็ยังเมียนะมันไม่ได้เลือกนะคุณโยบนะทีนี้ก็แล้วก็บอกเราว่าถ้ามันเป็นทุกเรื่องอะไรมาก็แล้วแต่อ๋อนี่บาปมันส่งผลเราละไม่มีใครทําให้เราจรงเราเคยทํำไ้แล้วเมื่อถึงเวลาวงจรเขามาถึงแล้วเขาก็ทวงเรา พระพุทธองค์อุปมาเหมือนสุนัขไล่เนื้อเมื่อมันไล่ทันเมื่อไรมันกกัดเมื่อนั้นอ่ะฉันใดการที่เรามีโรคภไข้เจ็บเปลี่ยนก็เป็นเช่นเดียวกันเศษของกรรมที่ทำที่ทาไม่ดีไปนะที่มันทำให้เราทุกข์อยากมีคนเอาค้อนปอกเหมือนสุนัขบ้างตีหัวไก่บ้างชอบปวดหัวดิบ ที่พวกเราว่าหัวดิบหัวดิบไม่เกตนะน่ะคนอื่นกับมีเหมือนกันนะไมไม่ปวดอ่ะเพราะเขาไม่ได้ทํากรรมอันนี้ไว้เอาว่ามาถึงจุดนี้นะยอมนะถ้าใครชอบปวดไม่เกตเนี่ยลองซื้อไก่อ่ซื้อไก่ไปปล่อยในวัดที่เขาเลี้ยงไก่ดูเถอะอธิษฐานจิตให้ข้อให้กรรมให้เวีนกัน ใครปวดคอที่เนี่ยเหมือนหักคอประช่อนบ้างอะไรต่ออะไรบ้างโอ้หลายอย่างถ้าพูดเรื่องกัรมันยาวฮะเลยก็สรุปลงว่าทุกสิ่งอย่างมันเกิดขึ้นเนะี่ยคือผลกรรมที่เราทําไว้พระพุทธเจ้า ก, ก็ระไรเราเชื่อคุณพระพุทธเชื่อคุณพระธรรมเชื่อคุณพระสงฆ์ถ้าใครเชื่อคนนั้นถือว่าเป็นความเชื่ออันเลิศประเสริฐที่สุด อาล่ะพูดถึงบ้านเรื่องการไม่ทำบาปทั้งปวงบาปไม่ใช่อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายแล้วอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจท่านจึงบอกกายกรรมวาจิกกรรมมโนกรรมกรรดีกรรมชั่วมันก็อยู่ที่กายที่ปากที่วาจาแต่มันออกมาจากใจนี่ออกมาจากใจเราอ่าางที่เราทำกรรมทังกายไว้ ใช่บางคนเกิดมาก็กลายไปเหมือนกันนะจะบอกให้เนี่มีเมกชี่คนหนึ่งมาจากไหนยังไม่ได้ถามเลยพ่อพงศ์เห็นเมื่อวานนี่ามาขออาศัยปฏิบัติอยู่วัดรรมนะเวลามันกราบลงมันมีอยู่สองนิ้วเออสามนิ้วสามนิ้วหมายความว่าอีกสามนิ้วหนึ่งมันติดกันเป็นแหลมๆออกมา นิ้โป้งไม่ติดนิ้วก้อยไม่ติดอีกสมนิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางมันติดกันนะ่ะมันเป็นเล้บแหลมออกมานัะ่ะมันเกิเแล้วไม่เหมือนเขานะ่ะเพราะกรรมนะคุณจอมกรรมมันไม่แน่นะอาจจะเคยตบหัวแม่ตีแม่ตีอะไรก็ได้อย่างที่เราฟังข่าวไปไวเน่ะไล่แม่นี้นคนอยู่โน่นอ่ะ จังหวัดชุมพรน่ะลูกห้าคนเลี้ยงแม่ไม่ได้แถมลูกคนหัวปียังเอาโต้เอาเก้าอีฟ้ฟาดแม่ด้วยแม่อยู่ไม่ได้ไล่แม่หนีแม่ก็ไปพักอยู่กับคนที่สองแม่มีสร้อยอยู่เส้นหนออึ่งกับแหวนนะมั้งพอไปแล้วคนที่สองก็เลยขอแหวนขอสร้อยแม่ แม่ก็ให้ว่าลูกก็เอาไปขายขายก็ใช้เงินหมดใช้เงินเก่งเจ้านี้แต่ก็ไล่แม่นี้อีกแม่ก็อกเออนี้ก็ได้เอาสร้อยกับแหวนไหมแม่กอนสร้อยก็เอาไปขายเอาเงินมาซื้อกินแล้วไงมันก็พอดีกันแหละที่เอามาเลี้ยงเนี่ยว่าอย่างนี้นะทำงานสิมันไม่หนีก็ไม่ได้มันผักมันไลน่้นะี ก็ต้งหนีคุณโยมซัดเซพนเนจอนออกบ้านไปมีคนใจบุญมาเจอเข้าก็เลยจับใส่รถไปที่พักคนชลามานั่นนะคุณโยมเห็นไหมแม่เลี้ยงลูกห้าคนเลี้ยงได้นะแต่ลูกห้าคนเลี้ยงแม่ไม่ได้รือไม่อีกกี่ปีท่านก็นจ่ายนี้จากเราแล้วทำไมจะทึมเรื่องขนาดนั้นท่านทั้งหลายคงจะได้ยินขาวอยู่ใกล้ๆคลองหกที่หลวงพ่อพักไนงะ วัดอะไรบุญนัดจินดาอะไรอย่างนี้อายุเท่ากันกับลูกพ่อแหละเจ็ดสิบเอ็ดลูกชายเอาไว้ปล่อยไปปล่อยไว้ใกล้ๆนั้นด้วยใกล้ที่เผาศพนะ่ะที่เมรนะุน่ะเอะไปนั่งไว้ที่ม้หินนะ่ะนั่งไว้แล้วกว็กราบพ่อมันมีประโยชน์อะไรไปกราบเอาพ่อไปทิ้งแล้วมีประโยชน์อะไรไปกราบใอ้มีประโยชน์อะไรเลย เหมือนว่าพระพุทธเจ้าตรัสไปว่าถ้าเธอกลาบพ่อกลับแม่ของเธอไม่ได้จะมากลาบเราจะทาคศเลยไม่มีประโยชน์เอาพ่อไปทิ้งแล้วไปกลาบทําไมล่ะมันบาปยิ่งกว่ากลาบอีกบุญมันไม่มาแล้วอ่ห น, นีไปเลยทีนี้ผูกเนไท้ยด้วยว ะ, ะมไม่ใช่ธรรมดาผูกก็แล้วก็ไม่มีประโยชน์เแล้วออกข่าวโคมโค ม, มกันนั่นไง ลุงพ่อถ้าเป็นลุงพ่อดีเว้ยเราไม่ต้องไปทุกข์กับมันทีนี้เมื่อเขาไม่ให้เราเป็นพ่ออาจจะไปเป็นมันเถอะนะสายพี่มันปวดทอ้องอาศัยน้องมันปวดใจน่อาศัยคุณพระรัตนตรัยดีกว่าท่อนไม้ไม่มีเหตุไม่มีใครเก็บนายโยมตอเ น, นี้ยบาปขึ้นทั้งทางกายเขาทางใจเขาพระพุทธเจ้าจึงไม่ใทำยังไง มีใครมาเตือนเรามิแต่พระพุทธเจ้าอย่าทาบาปนะอย่าทําบาปให้เกิดขึ้นทางกายวาจาใจเมื่อเราทําแล้วบาปนั้นการกระทํามันมาเป็นเจ้านายเราตอนที่เรายังไม่ทานะเราเป็นเจ้านายมันได้แต่ถ้าเราทําไปแล้วการกระทํามันมาเป็นเจ้านายแล้วคุณโยมมันเป็นนายแล้วละ ล, ล้วต้องรับผิดชอบสิ่งที่ทาคำที่พูดนะสูติคิดออกมาละ อ่าทีนี้ก็ท่านจึงให้เราทําความฉลาดอุศละสู้ประสมดานี่คือท่านทํากุศลคำว่ากุศลไปว่าความฉลาดโยมถ้าใครฉลาดก็ไม่ทุกข์นะฉลาดหลบหลีกจากความปรุงแต่งของสังขารออันนี้มันไม่ดี่หลีกมันซะหนีมันซะคืออย่าไปยึดมันถ้าสิ่งไม่ดีก็อย่าไปยึดมันแล้วก็มายึดจุดที่ดีซะสินี่เมื่อเราไม่สนใจมันก็หนีจากเรา แต่เราเนี่โอ๊ยห่วงเลือกเกินอ่าหวังความโลภความรักความชังกันเนี่ยห่วงมันยิ่งกับอะไรพ่อแม่เราจะหนีไปไหนท่านยังห่วงแล้วนะยโยมหลวงห่มห้องให้ตามนะแต่กิเลสธ น, นาไม่ใช่พ่อใช่แม่เราเลยทําไมเราจะห่วงมันเลือกเกินรักมันเลือกเกิน <c ười> วันเช้านี่ได้พูดแยบแยบโยมนิดหน่อยโยมใส่บาดรเยอะโยม โบราณบอกใครอยากกินข้าวให้ปลูกใส่บนหินอยากมีสินให้ค้าพ่อค้าแม่อยากมีคนแเย่ยมให้ค้าพวกเดียวกันอะไรว่าปลูกข้าวสมบนหินมันจะได้กินเหรอท่านอุปมาใส่บาดถ้าใครไม่อยากปดยาให้ใส่บาดบ่อยๆเนี่ยปลูกใส่ข้าวใส่บนหินที่ว่าอยากมีสินในข้าพ่อข้าแม่นะไม่ใช่้าพ่อแม่ให้ชาติกเนิดเกิดแล้วมา พ่อแม่ที่นำพาเรามาเกิดกับวิชากับตันหาอาวิชชาคือความไม่รู้จริงอ่ะหลวงพ่อวัดมเ ah ห e ยยงทันเทศอยู่มเมื่อกี้นี่อวิชชานะคือความไม่รู้จริงเป็นต้นเหตุอวิชชาจึงเปรียบเหมือนพ่อตันหาจึงเปรียบเหมือนแม่ถ้ามีแต่พ่ออย่างเดียวไม่มีแม่มันก็ไม่เกิดใช่ไหม มันก็ต้องมีแม่ยังเกิดไงเหมือนกับถ้ามีแต่ผู้ชายไม่แต่ผไม่มีผู้หญิงมันจะเกิดได้ไงมีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายมันก็ไม่เกิดไงเราไม่ใช่พระโพธิสัตว์ไงแต่พระโพธิสัตว์จะเอามือรูปท้องมันก็เกิดแล้วตั้งครันแล้วอนกกระยางเหมือนกันฟ้าร้องเปี้ยงเนื้อมันก็ตั้งไข่แล้วนกกระยางไม่มีตัวผู้ใหนเลยผสมพันธุ์ธรรมชาติมันเป็นอยังงท่านชงอันนี้ก็เหมือนกันนี่ย ถ้าเราเป็นคนนับบัรดาลก็ต้องมีพ่อมีแม่ถ้าว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ฆ่าเอาวิชาความไม่รู้จริงออกจาใจแล้วฆ่าตัณหาอย่าไปฆ่าพ่อแม่ให้ชาติกําเนิดเกิดนะอันนี้เป็นอนันตฤกยกรรมห้ามสบรนหน้นิพพานนะเนี่ยอย่าไปทําเด็กขาด อ, อบางคนเผลอทียอมไม่ฆ่าทางกายจะฆ่าทางใจชอบรังแกแม่แม่พูดอ้าปากขึ้นเลยไม่ได้แวกแวกแวกใส่พ่อแม่แล้ว พ่อแม่ก็โอ้ทนไปนะหนีก็ไม่รู้จะหนีไปไหนบางทีกินข้าวกับน้ำตาให้เงินใช้แต่แล้วข้างในดาแถมนะมีของแถมว่าแถมบางคนบปนกันนงนะมันบริษุทธิ์แจกให้ฟื้นฟื้นไปมันก็ไม่ได้บุญสิอย่างนั้นบางอย่างแนละ้วพ่อชอบเล่าประสบการณ์อยู่แม่อยู่เมืองไทยเขาอยู่เมืองนนออฝรังมั่งค่า เวลาโอนเงินมาให้แม่ด่าตามมานะอกลัวแม่จะให้สมมติว่าให้น้องพุทธนั้นในพี่คนนี้ให้แม่ใช้แม่ก็โอ๊ตเอาทนเอาพ่อแม่เนี่ยถ้าไม่ได้มันก็ไม่ส่งมาให้ใช้เนี่ยมันไม่ใช่ได้บุญนะเวลาให้ของคนนโยมมันก็ต้องให้เหมือนเทน้ําออกจากถังโยมเทน้ําออกจากถังให้แล้วไป จะไปอะไรวอนมันมันจะไปลดต้นไม้ต้นยญากับเรื่องของน้าทําบุญทําทานก็เช่นเดียวกันเทียงว่าให้หมดตัวให้หมดตัวจึงจะเป็นคนฉลาดถ้าให้แล้วยังห่วงเอ๊ะพระองค์นี้ยังหนุ่มอยู่เงินจะถึงวัดหรือเปล่าเนาะนะจะเอาไปให้ใครอีกเนา ะ, นะมันว่าไปเรื่อนยนะโยมนะเหมือนคนชอบว่ากันเนี่ยโอ้ยพวกไปฟังทําในพวกทุกข์ทั้งนั้นแหละโยมอย่าไปว่ากนะัน ใช่ใช่ฉันทุกข์ฉันมีปัญหาใครไม่มีปัญหาล่ะเพราะตัณหาญยังอยู่กับเราอยู่ใครจะมีมากมีน้อยถ้าถามคุณโยมว่าคุณยมอยากไหมไม่อยากจะมาทํางานมันทําไมล่ะเหนื่อยนอนอยู่บ้านไม่ดีอ่ะก็อยากได้เงินเดือนนีส่สิอยากร่ําอยากรวยบางคนอยากถูกหวยด้วยอเดือนหนึ่งหมดสามพันสิบพันไม่ถูกสักที กลัวจะถูกทั้งหมดนะเป็นเหมือนๆถูกมาสี่ห้าพันเลี้ยงกันหมดนะไอ้ที่เสียไม่พูดนะความอยากจะมีอยู่หรอกอยากได้อยากมีอยากสวยอยากงามอยากสารพัอยากเมื่อความอยากมีอยู่คนจบมันก็ต้องมีความทุกข์คนแล้วเพราะฉะนั้นท่านยังว่าให้ไม่กุศลสู้พระสัมดาคือความฉลาดให้หลบเหล็กมันท้ายยมบังเอิญมันอยากมากเกินไป พาอยู่เชียงรายหลวงพ่อหวยมันจะออกตัวไหนเนี่ยเขาหมุนเลขอยู่กรุงเทพใครจะไปรู้ไปถามพาอยู่โน่นเมืองเหนือเนี่ยเขาหมุนอยู่กรุงเทพหรือใครจะไปรู้น้องโยมอ่าอย่างนี้ก็มียเยอะแยะหลวงพ่อรับไว้เรื่องอย่างเงี้ยโยมหลวงพ่อไม่รู้หรอกเขาหมุนอยู่กรุงเทพโน่อนอ่านี่คนยากนะโยอมอยากมากไปหาพาแทนที่จะถามเรื่องสินเ ร, เรื่องทำเรื่องกรรมฐาน เออไปขอแต่หัวยไปถามแต่เรื่องหัวยอยู่นั่นแหละอันนี้มันกลับเป็นเพราะความอยากท่าเนเลยบอกให้ลบเลี่ยซะคุณโยมความอยากมันเป็นทุกข์ถ้าใครหมดอยากคนนั้นก็ไม่มีทุกข์อ้าวถ้าคุณโยมไม่อยากอะไรโยมไม่ทุกข์หรอกเอาไม่อยากมาทํางานทําไมหลวงพ่อทําตามหน้าที่โยมทําไปเถอะเขาตั้งหน้าที่ให้คุณโยมทำแผนกไหนโะยมทําไปสิ ใจเคลื่อนไหวใจรู้สึกนึกคิดแล้วกําหนดได้ทุกเวลามียอมคนหนึ่งเมื่อเช้าเนี้ยลูกศิษย์หลวงพ่อนี่แหละพาหลวงพ่อเดินไปหลวพ่อผมไม่มีเวลาเ อ, อ้าพ็มีเวลาคุณหายใจยังมีเวลาหายใจทําไมไม่ว่าไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมคุณก็ทุกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคุณต้องปฏิบัติตลอดเวลาสิอพอเราเรียนเป็นผู้รู้อยู่ ทุกเกิดขึ้นเวลาใดมักทำปฏิบัติเวลานั้นทาไมคุณว่ามันมีเวลาล่ะนี่แหละคนไม่มีเวลาเนี่ยเลือกกันแล้วเวลากิเลสมันจเผาเอาเผาเอาเผาเอายองพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้อกาลิโกไม่เลือกกันแล้วเวลาสถานที่มันเกิดที่ไหนดับมันที่นั่นเกิดเวลาขับรถก็ดับเวลาขับรถนั่นแหละเวลานั่งรถไปกต่มันเกิดเวลาไหนกต่ดับมันเลย ทำจิตเป็นกลางๆสอนตัวเองไว้นะยมเคาจะทําจิตเป็นกลางๆใครจะเป็นอะไรเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือทําหน้าที่รักษาจิตให้ดีทําหน้าที่ของเราให้ถูกต้องมีสติปัญญาไม่บกพร่องความเศร้าหมองทางใจของเราก็หมดไปเองทีนี่หน้าที่ของเราจะ่าไปงัวว่าจะคนโน่นคนนีนนน่ว่าจะเขาอินเอาเป็นเองอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ได้แล้ว แล้วต้องตูเลาะดูตัวเรามากๆถ้าดูคนอื่นมากมันเพ่งเลงเขาวันบันนึงแล้วต้องดูตัวเองมากๆดูกายดูใจดังที่กล่าวแล้วกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกนึกเค็ดเนี่ยนี่มันทุกข์อยู่ที่ใจแล้วนี่นหละถ้าไม่เราจะไปดูคนอื่นแหละถ้าไปดูคนอื่นเนี่ยมันเหมือนเก่าไม่ถูกที่คันนะยศมันคันข้างหน้าไปเกาข้างหลังปวดหัวไปกินยาถ่ายแล้วระบายอย่างเงี้ยมันจะไปหายเหรอ มันจะซ้ำลงไปเองฮะกรหายน้ําแต่ไปกินน้ําทะเลอย่างงี้นะกระหายน้ําแต่ไปกินน้ําเค็มอย่างนี้ยิ่งกระหายเป็นหนักเลยถ้าแก้ไม่ถูกอา้าวย้อนกลับมาแก้ที่ใจแล้วหรือสมองดูความรู้อารมณ์ที่มันเกิดนันเขาเรียกว่าจิตใจแต่ถ้ามีแต่จิตใจที่เนี่ยรู้แล้วแต่มันช่วยตัวเองไม่ได้ญาโจมเคยมีไหมอารมณ์บางครัง้งเรารู้อยู่นะ ออดไม่ได้มันตกมันสักหน่อยเว้เพราะเราตกมันได้ลูกเราเนี่ยว่ามันสักหน่อยไว้แต่รู้อยู่นะแต่มันอดไม่ได้ฉันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ฉันอดไม่ได้อ่าแตนน่นะ่ยเขารู้แต่มันยังไม่มีสติจิตเป็นตัวรับรู้ทุกอย่างแต่เราขาดผู้รู้ที่มีอำนาจรักษาเราผู้รู้ที่มีอำนาจรักษาเราเนี่ยพระพุทธเจ้าขนพบท่านจึงมาตั้งชื่อว่าสติ สติตัวนี้มันเนาะรีโมทยมรีโมทดมันจะคุมได้คุมเครื่องยนต์ ก, นกลไกได้หลายอย่างอย่างทีวีเนี่ยโยมไม่ต้องเดินไปเปิดมันหรอกกดรีโมทที่เนี่ยจะเอาช่องไหนล่ะมันคับไปหมดแหละเมื่อโยมมีสติมีปัญญาดีแล้วเนี่ยโยมจะให้จิตของโยมไปไหนกดมันไปเลยเนี่ยดีไหม มันดีกว่าคนที่ไม่มีนะทีเนี้ยถ้าคนไม่มีสติแล้วอยากไปทางนี้มันอยากไปทางขวามันไปทางซ้าย <g ül> ไม่อยากคิดแต่ยมันยิ่งคิดเนี่ยใช่ไหมมันต่างกันมากคุณโยมผู้ที่เขามีรีโมทคือมีกําลังใจพอเขาบอกหยุดมันก็หยุดละหยุดเลยคุณโยมเหมือนเขาคิดแบบไม่อยากเป็นนี่ฉันไม่อยากเป็นนี่ฉันอยากเป็นบอนัดฉันไม่อยากเป็นไซนัท นะฉันไม่อยากเป็นโรคนั้นไม่เป็นยันฉันไม่อยากเป็นโรคนี้มันก็หยุดได้นะหย่อนนะมันลืมมันหยบเพราะฉันไม่อยากเป็นนะมันเป็นกือช่างเธอไปได้สังขาร น, นแต่ฉันไม่อยากเป็นแล้วก็เลยไม่เป็นอะไรสักอย่างเพราะเราไม่มีเป็นมีพระคุณเจ้าองค์หนึ่งหยบไม่ใช่หลวงพ่อแล้วท่านเป็นโรคมาเรีย เป็นอย่างนักโยมเป็นหนักๆมากๆเลยท่านทํายังไงท่านท่านว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรนะสังขารเป็นนิจจังทุกครั้งนัตตาไม่ได้เป็นอะไรบ่ไม่ได้กินยาเลยหายโยมเรื่องจริงนะเนี่เรื่องจริ ง, นนเร ง, รงเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมาสองสาบันยังเจอกันโยกับพวกคุณเจ้าองค์นี้ยกกายเป็นนิจจังทุกครังงนัตตาหายเลย นี่เป็นสิ่งที่น่าคิดไหมคุณโยบธรรมโอสดเพราะฉะนั้นคุณโย ม, มาวันนี้คุณโยเป็นผู้โชคตีสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในใจผู้ใดได้ฟังโอวาทพระพุทธเจ้าผู้นั้นมีบุญมากคือความเฉลียวฉลาดลบลีดสิ่งไหนมันทุกข์อย่าเอามาสิ่งไหนไม่ดีอย่าไปลงไปเล่นกับมันถ้าไม่ลงไปเล่นกับมันมันก็มาอยู่กับเราเราก็ไม่อยู่กับมันมันจ ะ, ปนะไปในเรื่องของมันอยเล่นมาเล่นกับพันธุ์คุณ เรียกว่าจะไปหุ้นส่วนมันพูดง่ายนะภาษาสมัยใหม่ว่าจะไปหุ้นส่วนมาถ้าเรื่องไหนมันเป็นทุกข์จะไปหุ้นส่วนกับกิเลสหน่อกิเลสนั้นมันพาเราทุกข์ถอนหุ้นซะมื่อลงหุ้นกับพระพุทธเจ้าเราีนีิไม่มีขาดทุนถ้าใครลงหุ้นกับพุทธเจ้ามีแต่ได้กําไรแต่หุ้นทังโลกไม่น้อยแท้เป็นแน่นะมันขึ้นล ง, ลงนะ แต่หุ่นพระพุทธเจ้าเนี่ไม่อะไรคุณผู้ชมเมื่จะขึ้นเรื่อยๆขึ้นจนถึงนิพพานจากโลกมนุษย์ไปสู่เทวโลกเทวโลกภูมโลกเข้าสู่พระนิพพานถ้าใครมีความเฉลียวฉลาดท่านยังเรียกว่ากุศลเปรียบเหมือนทำขาวอกุศลเปรียบเหมือนทำดำําให้เธอเจริญทำขาวเสียให้ละทำดําเสียจะให้เจริญทำขาวพระพุทธเจ้าเลี้ยงสอนให้เรามีความเฉลียวฉลาดเป็นนักปราชญ์พันฑิต อทีนี้สัจจิตะประโยชน์ทปัญญังอ่ะมันชำระฉล้างจิตใจตัวเองบ่อยๆสิอย่างของสปอกชกปกมาติดแขนเนาะใช่ไหมถ้าเราไม่ล้างออ ก, กมันก็เหม็นอยู่นั่นแหละอาน้ําปลากุดีกะปิก็ดีถ้ามาติดแขนเนาะสิคุณโยถ้าไม่ล้างออกเดินไปก็เหม็นอยู่นั่นไม่พอใจใช่ไหมน่ะไม่พอใจต้องไปล้างมันออกฉันใดอารมณ์บูดอารมณ์เน่าอารมณ์เศร้าอารมณ์หมองอารมณ์ไม่ดีนั่น มันเหม็นยิ่งกว่ากะปิมันสกปรกรกิงกว่าไอ้กองขยะอีกแล้วจะเอามาไว้ทําไมล่ะทําไมไม่ล้างมันออกนี่พระพุทธเจ้ารู้ยิ่งกว่าพวกเราโยมพระพุทธโอจึงตรัสไว้ว่าสจิตตบริโยทปนังมันช布拉มชัมละฉลางจิตใจ ต, ต้นเองให้เข่ารอบเอตังมุนดานสรสนังนี่เป็นคําสอนของเราแต่าคต อง์ที่ผ่านไปแล้วก็จัดคําเดียวกันองคจะมาจัดในภายภาคหน้าพระสิริเมตใจก็พูดคําเดียวกันเพราะเป็นสัจธรรมคําเดียวกันธรรมะไม่มีคําว่าหนึ่งออไม่มีคําว่าสองคุณโยมเป็นอันเดียวเหมือนดวงอาทิตย์นะ่ะมันจะขึ้นมาวันไหนกับดวงอาทิตย์อันเดียวนั่นนะพระจันทร์อันเดียวนั่นนะดวงดาวอันเดียวนั่นนะมันไม่เปลี่ยนหรอกธรรมะพระเจ้าก้อ น, ห น, อ ห, นอหนึ่งไม่มีสองท่านหนึ่งพงศ์ว่าหนึ่งไม่มีสอง โ อ, อ้ไงมาเทพกับเทศัจจะพรามเป็นสัจจะความเป็นจริงทำมันเดียวกันทำในเกิดก่อนพระพุทธเจ้านะ พ, ร, นนพนระพุทธเจ้ามาค้นพบทีหลังทำในเกิดก่อนพระพุทธเจ้าเพราะมันมีประจําลกอยู่อย่างนี้สัจจะความเป็นจริงตัวนี้แต่ไม่มีใครปัญญาจะคมพนพบได้พวกเราทัานทลายวันนี้ได้ฟังธรรมโอวาทของพระพุทธเจ้าเป็นการฟังที่เลิศ เป็นคันฟังที่ประเสริฐที่สุดโดยเฉพาะยังยีข้อสุดท้ายให้คิดถึงกัน บ, บน่อยๆสัจจตปรโยธปนังจะลืมบนยอมถ้าลามไม่ได้ดีมาสู่จิตใจแล้วชําระคือให้รู้มันให้รู้เท่านั้นมนกาก็คือเปรียบเหมือนชําระถ้าเราไม่รู้เราไม่ได้ชําระมันก็ติดใจเราไปสิเห็นไหมโบ่แต่ที่ทํางานหนาวไปโบ่ใช้ที่บ้านอีกเองไงใครอยากอยู่ได้ใกล้คนโบ่คนเหม็นละ่ะ ไม่มีใครอยากอยู่ใคร้นะทีเวลาพูดออกมาปากมันกับปากไม่ดีแล้วเสียงไม่ดีแล้วเวลาออกทางกายมันกับไม่ดีแล้วถ้าของไม่ดีเนะี่ยไปอยู่ใกล้ใครก็ไม่ใกล้แล้วแอ้าวใกล้ใครไม่ได้ก็โมโหให้ตัวเองเองนะที่ตัวออกดีออกชกตัวหาว่าคนอื่นไม่สนใจเราแล้วไม่สนใจอะเวลาพูดออกมาจะ ก, กับห อ, อกกระดาบจะกับมีดกลใส่ปากไว้นะ แหกคุณนั่นแหกคุณนี้น่นนะใครจะไปใกล้ไม่มีใครอยากใกล้คนพูดไม่ดีลักนี่ของไม่ดีพระเจ้าให้จึงให้ชำระฉล้างออกคําพูดของน้าปราดบัณฑิตก็เป็นเช่นนี้โยมมีบุญโยมได้ฟังทำคําสอนพระพุทธเจ้าคุณโยมมีความเชื่อศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามีความเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วจริงตรัสรออกมาออกมามีเหตุผลจริง ไม่มีผิดพลาดเลยคุณโยมถ้าใครปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าพ้นทุกจริงแล้วทําแลรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วแน่นอนเลยคุณโยมตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมนี่ถ้ามันยายไป็นมาเยอะเรื่องอย่างนี้คุณโยมถือว่าเอาผูใ้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นไม่ตกไปในที่ชั่วแน่นอน ทำแลรักษาผู้ปฏิบัติธรรมาให้ตกไปนในที่ชั่วพระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นคุณโยมเรามีศัทธาเชื่อในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าทําดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อทําชั่วได้ชั่วเชื่อเรื่องกรรมเรื่องเหตุเรื่องผลโยมเป็นคนมีบุญมีบุญนะโยมมีบุญม า, มากมากเราไม่งมงายอยเราทํำเหตุทำทำ ต, ตทำผลที่พระพุทธเจ้าทําบุญต้องได้บุญ นี่วันนี้นี่ตรงนี้กับเหมือนตลาดนัดบุญเลยคุณโยมวันนี้เนี่ยมิแต่โยมเป็นผู้มีบุญทั้ง น, นั้งนั่งอยู่ที่นี่นะถ้าไม่มีบุญร้อนนะร้อนใจนะคุณโยมโยมมีความสุขใจเพราะฉะนั้นเวลามาฟังทำข่าวใดให้โยมพยายามทําจิตให้สบายทํากายให้สงบอ่าถึงเวลาก็ไปทํางานทํางานก็ให้สบายใจทํางานเสร็จแล้วก็ับไปบ้านก็ให้พกเอาความสบายใจกลับบ้าน ถ้ามีงานอะไรทำค้างคาไว้ก็อล็อกไวในลิ้นชักบอกคนว่าพรุ่งนี้เจอกันนะจะเอาไปที่จะเอากลับไปบ้านถ้าเอาไปยานอารมณ์มันคุณเนะเาะแย่ยุ่งกับมาก็ยุ่งลูกก็มาวุ่นวายเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วมันจะเป็นนางฟ้าผ่ากลางบ้านอนะทีนี้นะอ่าเราไม่เอาจากงานหยอกไม่ต้องพกมันกลับเรากลับเด็ดตัวเรากลับไปบ้านมีความสุขอยู่ในบ้านแล้ว ขอนอนกับไหว้ผ้าสักหน่อยนั่งสมาธิสักสามนาทีถึงห้านาทีทุกวันทุกวันกนารที่เราสะสมคุณโยชความดีของเราขึ้นไปมันไม่สงบหรือมันสงบกวนั่งพอเราจะเอาสัจจะอธิษฐานนี้เป็นปรมีของเราสักวันหนึ่งโยมจะเห็นอ๋อความสงบมันเป็นอย่างนี้เหรออ๋อปัญญาเกิดมันเป็นอย่างนี้เหรอแน่นอนหลวงพ่อรับแทนพระพุทธเจ้า คอยทําทุกปัตจะไปกินจะเข้าผัดอยู่เรื่อยนะอ๋อไม่เอาแล้ววะตอนเย็นมันเหนืยนอนหลับเอากําลังซะน้อยพรุ่งนี้ค่อยเอาตื่นขึ้นมาโอ้ยเนื้อมันจะไปท่านรับงานไว้รีบอาบน้ำไปแล้วนื้อไม่ได้ทดําล้ะเนีกลับมาก็โอ้ยเนื้อเอาไว้ทําพรุ่งนี้เนะผัดไปเรื่อยแล้วกินข้าวผัดไปเรื่อยนันไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ทําอยากทําดีแต่ไม่ทํานั้นมีมากดีจะอยากหากไม่ทําหน้าขาหนอ อยากได้ดีต้องทําดีอย่าลีรอรอแต่ดีดีแต่เราเลยไม่ดีเลยวันนี้อาจมาจะนั่งเครื่องครับพอดีเขาจะถอดผ้าป่าคืนนี้เขาฉลองอะไรไม่รู้ละทางเชียงใหม่เขามาจัดครับพรุ่งนี้เขาจะจัดเฮ้ยขออภัยพรุ่งนี้เขาจะเทศสี่องค์ยออ่ามีหลวงพ่อบุญเลแยแอบหลวงพ่อไอ้บุญเือหลวงตาศิริ มีองค์หนึ่งชื่อเดียวกับหลวงพ่ออาจารย์วิชยัยที่อเบเภอพลอีกองค์หนึ่งพระครูสถิตธรรมสถิตอะไรนี่วัดบุภาลามพุ่งนี้คนยอมประชันกันสี่รูปสนุกกันเลยยมไปไหมฟังไหมแม่ถ้ามีเครื่องบินจะเมาให้เลยเนี่ถ้าถ้าใครจะไปนะอยากนั้นไปฟังธรรมดียมยมยอมมีแต่หัวกะทิกะทิไปทั้งนั้นนะ ไม่ใช่หัวล้านนะหัวกะทอืิเอาไปเทศอยากให้ญาติโยมฟังพระม่าเขาก็มาฟังนะโยม่าเต้ล้นสาลาละเคยทํามาครั้งหนึ่งนี่ครั้งที่สองะฉะนั้นเขาก็รอไปอาจจะไปพร้อมกันกับหลวงพ่ออาจจะมีก็ได้อไปเที่ยว บ, บินเดียวกันเนี้ยเพราะฉะนั้นก็วันนี้โยมหลวงพ่อก็เลยขอสมมุติจุติไว้เพียงเท่านี้ดีใจนะ ไม่ใช่ดีใจเพราะอะไรเห็นญาติโยมมีบุญนั่งฟังกันอย่างเรียบร้อยถึงว่าสถานที่นี้หลวงพ่อว่าเทวดาผู้มีสมาธิท่านมาปกปักรักษาของเราเวลามาเนี่ยพวกเรานั่งอย่างนี้แหะแมมันชื่นใจอยอมเห็นโยมเคารพในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอ่าวันนี้ก็คุณโยมได้เห็นสิ่งอันประเสริฐคือเห็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมเห็นธรรมนะ ได้ฟังโอวาพทพระเจ้าหลวงพ่อนำมาพูดแทนพุทธเจ้าคือไม่ทำบาปมีความฉลาดในใจวันชำระช้างจิตใจของตนเองให้ข้ารอบนี่เป็นโอวาทที่ดีที่สุดจอมนักปราชญ์บางองค์ท่านเอามาเป็นหัวใจพุทธศาสนานะเพราะท่านญาโจมได้ฟังไปแล้ว น, นำไปประพฤติปฏิบัติเกระจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายในตัวของเรา ให้หมดระงับดับไปเชื่อเหตุเชื่อผลนะคุณโยมจะไปเชื่ออย่างองื่นหลวงพ่อเนี่เป็นนักให้เลิกแต่ก่อนมีทั้งหนึ่งให้เลิกปลูกเสร็จฮะมันสร้างบ้านไม่จบเลยมันจะจบยังไงเป็นปเล่นไพ่มันไปเล่นหวย ห, หมดมันก็ไม่มีเงินสร้างบ้านเลเลิกดีขนาดไหนทำไมมีเงินมันจะสร้างได้เหรอมเลิกดีขนาดไหนถ้ามันไปเล่นยัดพนันมันจะอยู่เหรอไม่ได้คนระับคุณโยม ต้องมีคำบังเพลก็ว่าไ อ, อ้เอามาเมาเบอร์เนี่ยนะ่ะมันใจเศร้าเมาเหล้าเพิ่มทุกเมาสนุกพรมจนเพิ่มจนเมาผลลืมเหตุเมาเพศลืมไฟลืมเามาเพศลืมวัยเมาไพ่ลืมนอนคนเล่นไพ่ไม่หลับไม่นอนนะโยมนะจนเป็นโรคกระเพาะนะมันสัวจะขาดขาดคู่เล่นนะ นางหิวขนาดไหนครับบางทีไปกินข้าวกินต่เบียกินจต่อะไรเขาไม่รู้จนพ่ อ, อกับพ่อเป็นรูน่ะเขามาพูดให้ลุงพ่อฟังอ่ะเมาไพ่ลืมนอนเอาไม่ต่อแล้วที่เมาอะไรไม่ต่อแล้วเนาะอ่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคําว่าเมาไม่ดีหยุดซะยอมเลิกซะนี่ฮะเลิกดีขนาดไหนถ้าคนเราไม่หยุดกันพระนันพระนันก็ไปกินหมด เขาพุทธเจ้าว่าเป็นเครื่องฉิบหายว่าว่าขณะนั้นนะเพราะนั้นจะไปยุ่งเขาผีพ น, นันนะวันนี้ก็สมควรแก่กันและเวลาจะมาขอสุขสุขุติไว้เพียงแค่นี้ความอำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันาดาลประทานพระพรชัยท่านพ้นทุกข์สุขโรภัยนานาประการให้มีความสุขเสกษมสําราญในโลกพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระเจ้าโดยเที่ยวทึงกัน ที่สุดขอให้ท่านทั้งหลายพ้นจากทุกโศพ้นจากทุกพ้นจากโศพ้นจากโภกพ้นจากภัยให้มีความสุขกายสบายใจทำธุรกิจการงานใดๆใประสบความสำเร็จสมบังทุกประการด้วยเถอ